ขอขั้นเวลาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีกสักข่าวหนึ่งนะครับขณะนี้มีเด็กยากไร้ที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่1 0,000 กว่ารายนะครับท่านสามารถช่วยเหลือเด็กๆ เ, เหล่านี้ได้ด้วยการบริจาคตามศรัทธาหรือรับอุปการะเด็กเป็นรายคนได้นะครับเพียงแค่วันละ15บาทหรือ450บบาทต่อเดือนเท่านั้นเพียงเศษเงินของคุณอาจช่วยให้เด็กอีกหลายคนได้มีความสุขและโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติที่ดีนะครับติดต่อ บ, บริจาคได้ที่ มู ล, ลนิธิสุพนิมิต0 2 3 8 1 8 8 6ส5สาำหรับท่านที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วก็เสิร์ชหาได้เลยนะครับมู ล, ลนิธิสุพนิมิตรหรือเปิดดูรายละเอียดคร่าวๆจากในแผ่นนี้ได้เลยนะครับอนุโมทนาด้วยนะครับ และสำหรับท่านที่พบเห็นเด็กที่ประสบ ป, ปัญหาทางสังคมเช่นกำพร้าถูกทอดทิ้งเร่ร่อนขาดผู้อุปการะและอื่นๆกรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วน24ชั่วโมงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโทรศัพท์ติดต่อได้ที่13 00